จิตที่จะให้เกิดปัญญาต่อไปเนี่ยคือจิตทีเ่เบาสบายคล่องแคล่วต้องคงล่องแคล่วด้วยนะถ้าจิตจับไปนิ่งๆแข็งๆเกรงๆไม่คล่องแคล่วมันต้องคล่องแคล่วเหมาะควรแก่การงานปืดปั้ดไปได้แต่ให้รู้ทันนี่นะมันไหลไปให้รู้ทันมันเผลอไปให้รู้ทันให้มันคล่องอย่างนี้แต่ถ้าไปจับให้มันอยู่กับที่นิ่งๆงมันจะเกรงมันจะเครียดแล้วก็ไม่เกิดปัญญา ไม่เป็นสภาวะจิตที่พร้อมพอที่จะเกิดปัญญามีกิเลสรู้ทันได้สติจิตไหลไปจิตไหลไปรู้ทันได้ทั้งสติและสมาธิเพราะฉะ น, นั้นก็รู้สภาวะด้วยและเห็นจิตเคลื่อนและจิตไม่เคลื่อนเห็นว่ามันเคลื่อนเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจได้ปัญญาด้วยจากนั้นเอาคุณภาพที่จิตมันเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันบ่อยๆเข้านนะเวลาดูมันจะเห็นสิ่งที่จิตมันดูเนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งไอ้ที่ดูอยู่เนี่ยจิตที่ดูอยู่น่เป็นอีกสิ่งหนึ่งเห็นแค่นี้เรียกว่าเกิดปัญญาละมันปัญญาเนี่ยมันจะเห็นความจริง